เพราะความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายแต่รูปปัฏิยานในวันนี้จะพูดเรื่องทุกขสมุทัยในส่วนที่เรียกว่าเป็นกิจคือกิจของอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อนะ่ะท่านแสดงไว้เป็นข้อละสิบหกไม่ใช่ข้อละ 4. สี่ี่ี่ก็สิบหกที่กลายเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของเสมาธรรมจัก ที่สิบหกี่นะฮะก็มาจากโซโลสกิจที่จริงเป็นข้อความในดิกาธรรมจักรกัตนะสุก็เป็นการมงในรายละเอียดที่เจาะลึกซึ้งฮะตัวนี้ชื่อว่าสารถธสมุดใจ ย, ยาวมากนะเล่มเล่มใหญ่มากยาวแล้วก็มีในย่าที่วิจิตพิสดาน บางทางที่เป็นอัตกถาเป็นดิการัตรกถานะฮเป็ น, ก า, ปนการอธิบายประสูตรสุตรเดียวแต่นั่นเองก็อย่างที่บอกท่านทั้งหลายไว้ว่าถ้ามาจับ ก, กัวตันสูตรนรี่ถ้าเราจะจับประเด็นให้ได้แล้วก็จัดหมวดหมู่เรียงลําดับความเข้าใจไปเรื่อยๆนะไต่กันไปเป็นบันไดก็ <manip. S 2> จะเข้าใจพระพุทธศาสานาในแง่มุมต่างๆชัดเจน เราอย่าลืมว่าแม้แต่เราจับที่ทางไม่ควรเสพสองทางเนี่ยมันย้อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในชมพูตวีปไปเป็นหลายพันปีนะคําบคำสองคำเหมือนการมาสการิการนโยกอาตกิลมาานโยกเนี่ยมันแสดงร่องรอยของความเห็นที่มีการต่อสู้มีการถูกเฉียงแล้วก็พยายามชี้นำความคิดของสังคมสืบต่อกันมาโดยดัง วันประเด็นเหล่านี้แม้จะอยู่ในดีกาคือพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีพระไตรปิฎกอัจฉริยะอะก็ดีกาสรุปว่าเป็นกัมพีระดับสามนะครับจะได้จริงเนื้อหาสาระแล้วก็เอามาจากพระไตรปิฎกคือมาเคยทํางานโดยย่อพระไตรปิฎกสังยุตติกายนะเพราสรุปสังยุตติกายเนี่เจ็ดร้อยกว่าสูตรนะแต่เรามาสรุปได้แค่ หกสิบสูตรเท่านั้นเองเอาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายของพระองค์เองตรงเนี้ยส่งแสดงว่าสูตรหนึ่งไม่อธิบายเราก็ตามไปดูว่าส่งอธิบายไปที่ไหนแล้วก็นำมาอธิบายเป็นการรวบรวมเรียบเรียงก็เป็นหนังสือที่ให้ให้นัยยะที่วิจิตพิสดานมาก็ยังฝันอยู่นะฮะว่าจะพยายามจะย่อพระตไตรปิฎกให้หมด จริงๆถ้ามีโอกาสได้ทุ่มเทไปจริงๆนะฮปลีกตัวเองไปอยู่ต่าป่าแล้วก็ทุ่มเทลงไปนี่จะทำได้เปลี่ยนแต่ว่าจังหวะชีวิตโอกาสชีวิตมันไม่ให้เมงกรคือไปเมืองจีนมาห้าคืนหกวันเนี่ยมาถึงโอ้ยเพิเครียงานกันแย่เลยก็พยายามหลบปลีกไม่เคยไปต่างประเทศมาสิบกว่าปี คนในมนขอร้องอะไรแต่ อ, อะไรเราก็มีวิธีที่จะอธิบายคือรู้สึกว่าการทำงานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเรามีความสามารถพอสมควรพอทำได้นะแต่พอถึงต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับจจะเข่เกยตื้นมันเราไม่ถนัดเป็นเรื่องที่เราไม่เคยฝึกปรืออบรมมาทำให้มีอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติภารกิจตรงนั้น ว่าแนวของทุกขสมุมไทยเนี่ยเราเห็นว่าจะชัดเจนแล้วก็มีนายาัยยะที่เราเห็นได้นะข้อต่อไปเรียกวนานิทานัพถาแตนก่อนเราพูดถึงอายุวนัฐฐานะฮในอัตวะให้เกิดกองทุกเรนกองทุกเนี่ยเพิ่งสังเกตว่ามันเกิดขึ้นเป็นชีวิตเนี่ยช่วงหนึ่งแล้วเกิดในช่วงที่เราไปยึดเนี่ย แต่ยึดเป็นรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเร า, เราวิญญาณของเราเนี่ยยึดของเราอย่างเดียวนีย่ยุ่งหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตใจก็จะฝ่ายฟ้าแล้วก็จะมีความมิตกกังวลคือจะไม่สงบเพราะอะไรสมมติว่าบ้านของเราเนี่ยคนรวยๆสมมติว่าคนรวยคนหนึ่งเนี่ยมีบ้านมากมีปัญญาหลายคน ปัญญาคนหนึ่งอาจจะอยู่เมืองไทยบัญญาคนหนึ่งอาจจะอยู่เชียงใหม่ปัญญาคนหนึ่งอาจจะอยู่เมืองจีนคนหนึ่งอาจจะอยู่สหาราัฐอเมริกา อ, อะไรต่อไรเนี่ยแล้วบ้านช่องก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นสุขดีไหมการใช้ชีวิตในละักษณะนั้นเป็นสุขดีไหมเราก็บอกไม่รู้สุขยังไงอะ่ะมันมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความเดือดร้อน พราะบ้านของเราคนของเราลูกของเราเมียของเราสามีของเรามันยุ่งมากตลยเจ้านี้จึงเป็นเหตุทั้งสองช่วงนะแล้วก็ช่วงยาวๆนะเพราะอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าไอ้ตอนเกิดมาเป็นขันเนี่ยเป็นชีวิตอะเป็นชีวิตเราแล้ก็มาจากกิเลส ก, ก, กรรมสร้างขึ้นเป็นปฏิสโต น, นที่วิญญาณแล้วก็มาถึอกำเนิดมาเป็นเราในปัจจุบัน ทีนี้เราเป็นเราแล้วเรารู้สึกเป็นเป็นตนของเราแล้วก็มุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของเราเพราะงั้นพอเห็นรูปฟังเสียงดุงกลินดิ้มรสเป็นตนอตัญหามันเกิดเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาถ้าได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นมาเกิดสุขเวทนาก็อยากได้ทัก็กลายเป็นตัญหาว่าอยากได้มันก็ยึดกลายเป็นอุปาทานตกลงว่าเรายึดในขณะปัจจุบันเนี่ยที่ไปเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้น แล้วถ้าไม่ได้ตามที่เป็นหรือไม่ตอบสนองความต้องการจะเป็นของเราเราจะเดือดร้อนเพราะไม่สมหวังในสิ่งที่เราต้องการปรารถนาเพราะอุปทานเนี่ยมันเลยก็ยุ่งกันใหญ่เลยถือบั้นเรื่องหน้าของความใคร่อย่างเดียวเนี่ยก็ยุ่งมากแล้วนะฮะถือบั้นเรื่องหน้าของทิชิก็มีความขัดแย้งมีการทะเลาะ มีการต่อสู้กันในทางด้านความคิดบางรั บ, บางคราวจนถึงระห้ามหันตราปรหาหกันทีนี้อาจว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์มันก็สองช่วงนะ่ะสังสารทุกข์คือตราบใดอย่างนี้มีอย่างนี้ต้องมีตาบใดที่มีตัณหาเนี่ยสังสารวัตก็ต้องมีก็แสดงว่าใบเป็นเหตุแห่งสังสารทุกข์ คืทุกที่เราต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏก็เหยียดช่วงยาวขึ้นไปหน่อยแล้วก็ในขณะเดียวกันที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่เรารู้สึกว่าเราได้เรามีเราเป็นเนี่ยถามว่าเป็นสุขไหมที่จริงเป็นทุกข์นะให้เราสังเกตดูว่าทุกข์ได้มากกว่าสุขสุขมันก็มีหรอกแต่ว่าทุกข์ได้มากกว่าสุขเช่นสมมติเราเดินทาง ยานพาหนะที่ราคาแพงมันลึกๆเราอาจจะรู้สึกว่าโก้ ด, ดีรู้ดีนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความวิตกกังวลมันอาจจะแหวงถ้าเกิดเป็นอันตรายเกิดภัยอันตรายขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงตัวอาจจะตายนะฮะรถอาจจะถูกแย่งไปแล้วก็แสดงว่าในขณะที่เรามีความสุขเนี่ย ความทุกข์มันจะมากกว่าพระศาสนาไม่ปฏิเสธพวกกรรมมาคุณนะยะเรียกว่ากรรมมาคุณ ก, ะะ ก, ก, ก็แปลว่าคุณของการมอาจจะกลุ่มของกรรมก็ได้เราแปลว่าคุณของกรมก็ได้แต่ถ้าถามเทียบเคียงโดยปริมาณว่าระวางสุขกับทุกข์เนี่ยอะไรมากกว่าเราก็จะพบว่าความทุกข์นี่มากกว่าความสุขดังนั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายจึงรู้ว่าการรมนี้มี สุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มากแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะไม่เกี่ยวกับด้วยกรรมคุณทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่า ง, างชัดเจนว่าการที่คนเราต้องหมุนวนอยู่ในสังสาระทุกข์เนี่ยก็เพราะเรามีกิเลสเรามีกรรม แล้วตัวกิเลสเนี่ยตัวเลิกกับกรรมเนี่ยเขาแยกกันไม่ออกนะเราจะถือว่ากรรมเป็นเหตุให้เกิดกิเลสหรือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมก็ได้แต่เราสังเกตเวลาเขาพูดในรูปของสังสารวัตรเขาเรียกกิเลสกรรมวิบากเราอาจจะคิดแบบง่ายๆนะคิดแบบง่ายๆเช่นสมมติว่ามีการพูดถึงอาหารชนิดหนึ่งที่ทำให้เราอยากรับประทานไอความอยากเนี่ยคือกิเลสการรับประทานมันก็เป็นกรรม เราประทานแล้วเกิดพอใจติดใจในรสชาติของอาหารนั้นไอ้ความพอใจติดใจเนี่ยมันดูภายในใจแล้วก็กลายเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานอยู่ภายในใจทีนี้เวทนาเนี่ยมันเป็นตัวปรุงจิตเราพอหลังก็เหนียวนึกึดนึ ก, นกถึงอาหารชนิดนั้นแหละแล้วเกิดอยากอีเวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานนะต้องได้กิน่ ่อยคว้าปราถนาะเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นจะแล้วว่ากลายเป็นวงจรที่กลายเป็นอวิชชาตันหาปราถนาแล้วเคยสังเกตเคยตั้งข้อสังเกตนะฮะอยู่ที่เมืองไทยนะก็ะเจอบ่อยมย่าโยมบางคนที่คุ้นเคยสนิทสนมกันเขาก็หวังดีนะฮะไปหาของแปล ก, ปลกอะไระมา ก็บอกว่าดีเป็นที่ต้องการเป็นได้พอใจคนต่างหลาย้เราเองมันไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยในความรู้สึกแต่ว่าไม่อยากจะขัดข้อคนเี่ยก็ถามมาดีไหมเราก็บอกว่าดีก็มันไม่เสียนะฮมันไม่ดับบแต่ว่าถามมาอร่อยไหมมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่มีอยู่ก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกกร่วม ไม่รู้สึกร่วมเป็นสุขกับเขาอย่างนั้นอย่างไปเมืองจีนวนก่อนเนี่ยเขาเอาชาชั้นยอดนะฮะชาหางโจนในชั้นยอดมากเขาไา้จานพยายามเอาไปทุกแห่งมีชามีวิธีชงมีสารพัวิธีเลยเขามีอุปทานอยู่เขาก็รู้สึกอร่อยเราก็รู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นเนะี่ย แต่สบายๆรู้สึกว่าดื่มน้ำเย็นนดีกว่าสะดวกดีไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ทําให้สังเกตได้ว่าวันหลังเนี่ยถ้าเราเกิดไปติดมันเกิดว่าพอใจติดใจในรสชาติอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยากอยากแล้วเราก็ยึดมันกลายเป็นกระบวนเวทนาตนา่อหน้าประทานเกิดอพบอขึ้นมา ใ, ในใจเกิด ค, ความรู้สึกว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นจะต้องได้อย่างนี้ในที่สุดเราก็เดือดร้อน วันจากจุดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นทุกข์ได้ยังไงเพราะเราเอาเราเนี่ยไปรับหรือเอาตัวเราไปรับเราของเราไปรับหรือว่าเอาตัวตนของเราไปรับถ้าเราไม่รับมันไม่มีอะไรนะคล้ายๆกับเราเดินไปก็เจอคนยืนด่าอยู่เราก็ไม่รู้นะว่า เขาเป็นคนบ้าเขายืนด่ายอย่างนั้นทุกวันเราจะรู้สึกโกรธทันทีแต่ก็เหงก็ด่าแต่พอมีคนมาบอกว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนบ้าเขายืนดายย่าโดนนี้ทุกวันเนี่ยใครมาก็ชี้หน้าด่าทุยวันเราจะขำนะฮะจะขำตัวเองแล้วสลดใจตัวเองด้วยเพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดเห็นความโง่งงมงายร้าเหตุผลของเราว่าโกรธอะไรกับคนบ้า แกด่ากันแกอย่างงั้นดา่าเป็นลมเป็นแรงด่าอุตลุดไปเรื่อยๆแม้ในบัตรบวชเนี่ยมีเดินเจอบอ่อยนะคนเนมาอย่างเงี้ยก็มาเดินด่าลั่นเลยแกก็ด่ากันแก น, นนะเจอเราแกก็มองไปนะแกก็มองแต่ก็ด่าไปเรื่อยแกด่ามาก่อนเราก็ไม่เอาอัตราเราไปรับแต่เราก็รู้สึกเขาไม่ได้ด่าเราแล้วสมมติเราด่าเรามันก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงอ่ะนะคนบ้าเนี่ มันตรงนี้ชัดเจนเดี๋ยว่าถ้าเราไม่ไปยึดเราไม่อยากเราไม่ยึดปัญหาต่างๆเี่ยความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเดี๋ยเราคิดว่ามันเป็นมันมีเนี่ยมันก็จะบรรเทาลงไปดังนั้นหลักการสําคัญในการศึกษาเรื่องเหล่านี้ก็คือว่าเวลาจเจออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยทํายังไงอย่าไปอยากจะไปยึดออกมากเกินไป เรื่องมันเรื่องป่วยกันเรื่องมันเรื่องนี่ถามดูมันได้ประโยชน์อะไรเรื่องบางเรื่องก็ถามดูมันมีความจะเป็นอะไรมากไหมเรื่องบางเรื่องก็ถามว่าทำไมจะต้องไปเดือดร้อนกับเขาทำไมต้องไปยุ่งกับเขาล่ะคือมันมีเป็นอันมากนะบางทีเราไปคาดหวังอะไรเกินไปแล้วว่าทาให้เครียดอย่างในกรณีที่ แต่มาได้พูดในเรื่องการไปรูปการศึกษาเรื่องสอบสอเนี่ยเดี๋ยวนี้สถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปอะไรหลายอย่างบวกบ้างลบบ้างนะครแต่คณะที่ทํางานร่วมกัน ก, ก็รู้สึกเดือดร้อนรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกว่จริงว่าจังมากแต่มาเองก็เต็มใจว้ตั้งแต่ต้นเลยนะเวลาที่เราทํางานก็คือเราทํางานไปเราชี้แจงเราบอกกล่าวเราอาธิบาย ส่วนกขฟังหรือไม่กขฟังเราไม่ใช่เป็นเจ้าของอำนาจรัดนะะเราเราไม่มีอำนาจรัฐอยู่ในนั้นเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ถ้าแต่กรอบขอบข่ายความสามารถที่เราจะทำได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ดีถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องดีนะฮะคือต้องทนเอาเพราะจริงๆทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทางไหนมันจะดีกว่าหรอก เพียงแต่อาศัยความเชื่อมั่นอาศัยหลักการต่างๆที่ได้เคยศึกษาเราเรียนมาก็มีแนวร่วมมีความเห็นร่วมกันมากกว้างขวางโดยไม่น่าเชื่อแต่ถามว่าเราไปคาดหวังไหมก็ไคาดหวังแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาแต่เราก็ทํางานก็เต็มที่ส่วนผลไม่จะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเมื่อมีภาระหน้าที่มาถึงข้าวในต้องทํำตอนนั้นเดง เพียงแต่ว่าถ้าเราทําแล้วมันสําเร็จหมดเนี่ยมันมีหรือเปล่าในโลกเนี่ยที่สําเร็จหมดทุกอย่างมันไม่มีอะเพราขนาดมือพระพุทธเจ้าเนี่ยบําเพ็ญเพียรตั้งเยอะที่ผิดตั้งเยอะนาพระพุทธเจ้าเนี่ยผิดมากกว่าถูกนะที่บําเพ็ญเพียรมาที่ผิดทางเนี่ยมากกว่าถูกกว่าถูกก็พั่วเลยนะะแต่จะรู้เลยสิ่งนั้นก็กลายเป็นบทเรียนว่าไม่ใช่ทางที่จะช่วยให้เราบรรลุเ ป, ป้าหมายตามที่เราต้องการ เราได้ศึกษาเรียนรู้มาเราก็เรียนรู้จากเรื่องตรงนั้นเพราะแนวทุกข์ปุกปุกพวกนี่ยมันจึงอยู่ที่การที่เราไปยึดไปยึดมันแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์รู้สึกว่าสมมติว่าของเราเนี่ยนะเรายึดถือได้ของเราอย่างเดียวเนี่ยก็แสดงว่า น, นี่คือตัณหาญาณเลยหรือว่ากามุปาทานที่ถือมันเหนืหน้าความใครของเราหายของเราเสื่อมเสียเพราะเราตาย ย่าตพี่น้องเราตายพวกเราก็เราเ อ, อประสบความเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรล้วก็จะเดือดร้อนจะเป็นทุกข์บางทีเนี่ยเราก็นึกวันก่อนนี่มีเด็กมันเล่าออมาถามถึงเราเป็นญา ก, กันนะแต่มาไม่เคยรู้จักอายุเก้าสิบกว่าแล้วก็ตายแล้ว <laughs> เราก็นั่งนึกไม่ว่าเออคนนเก้าสิบกว่าก็อยู่ได้มันขนานิ้มันก็บุณแล้ว อยู่ไปนานๆก็ทรมานตัวเองถ้าก็ตายก็บุญก็ท่านเนี่ยจะพูดกับชาวบ้านไม่ได้นะเราพูดกับชาวบ้านแล้วใกล้ๆกับเราไปใจจืดใจดําไม่ยอมรับความใจไม่นับญาติผงวานว่านเกลือลที่จิ่งคนเรประเด็นนะฮะคือว่ตายแล้วเราเราคิดว่าเขาเป็นเนเราจะเดือดร้อนแต่คิดว่าเขาก็ตายถึงคราวจะต้องตายธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่มคล่อมความเป็นอย่างนี้ไปได้จิตใจก็สบาย มัาแนวของพวกทุกข์สังสารทุกข์ถ้าตราบใดที่เราไปยึดเอาขนาดเราแก่เนี่ยเราแก่เราเจ็บเราตายเอาขนาดเราแก่เราเจ็บเนี่ยเอาเอาเอาเอาสองอย่างนะฮะมันก็จะเดือดร้อนมากเราแก่เนี่ยพยายามที่จะปรุงแต่งพยายามที่จะเสริมสวยพยายามที่จะปั่นเทาอะไรอะไรด้วยวิธีการต่างๆที่จะไม่ให้ตนแก่ แล้วถามจะทำยังไง่ะไม่แก่เดือดร้อนไปก็เท่า น, นั้นนะมับวิธีคิดแบบพุทธเนี่ยคือจึงไม่ไปสนใจไปเดือดร้อนกับตัวความแก่แต่ยอมรับว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาในขณะเดียวกันนี่มีเรื่องที่เราทำได้คือกรรมในเราทำได้ไม่ทำก็ได้ทำก็ได้ตัวนี้เราสังเกตว่าที่ทรงสอนเรื่องปอิญหาปัจจเวกขณะนี้ห้าข้อ ทันทีคุณเคยกวัดคงนึกออกพอสีข้อแรกเนี่ยมันเป็นผลมาจากความเกิดมันไม่มีทางนะเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกถ้าบันเท่าแล้ยพะไว้แต่่าแก้ไขไม่ได้คือเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพลาดพลาดสูญเสียเป็นธรรมดาตรงนี้เราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่ากรรมในเราแก้ไขได้แก้ไขโดยการไม่ทา กรรมชั่วเราไม่ทำกรรมชั่วก็ไม่ให้ผลแกเรากรรมดีเราทำกรรมดีก็ให้ผลแกเราแล้ววันก่อนนี้ไปเจอพระใหม่ก็าถามปัญหาก็าไปฟังมาว่าคนเราเวลาถอดจิตเวลาถอดจิตออกไปข้างนอกแนี่ยไปดูที่นั่นที่นี่ที่นั่ น, นเนี่ยเราถ้าเข้าไปในป่ามีน้ำเกลียวมีไรตะไรเกีียวเนี่ยเราจะเป็นแผลที่ร่างกาย ถาาจริงหรือเปล่าบอกว่านิทานนั่นสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไวแต่คุณละเมอแต่คุณละเมอก็แสดงคุณไม่ได้ถอดจิตไปแต่ในกรณีการถอดจิตเน่ยมันไม่จะเป็นไม่ไม่มีอาการอย่างนั้นนั่นก็คือเราไปไปยึดติดไปสับสนในประเด็นแล้วผลุดท้ายเนี่ยมันจะหาคําตอบไม่ได้ อย่างทีวันก่อนเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องแผ่ขุมทองอะไรขุมทองโกโบรินโกโบรีอะไรอะไรที่ว่าที่ลิเจียนะฮะไอเราก็อยากให้ชาติบันเมืองมันได้นะถ้ามีนะฮะแต่ว่าโดยเหตุผลเร า, เรานึกไม่ออกไอามานั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยในะอ่านข่าวตอนนี้ก็ยิ้มๆมันก็เล่ากฟังเราตั้งประเด็นในะคิดเนี่ยบอกว่ามันต้องมีประเด็นที่คิดจะได้ได มันไม่ใช่ว่านิ่งๆไปทึกทักเอาในลักษณะอย่างนั้นปนัญหาสำคัญว่าทองนั้นออกมาจากไหนให้ได้แต่ก่อนแล้วใครเป็นคนเอามาแล้วทำไมเป็นเก็บไว้วเก็บไว้โดยวิธีใดนะทำไมไปอยู่ในถ้าซึ่งเป็นหินใหญ่โตมาหาวลาล่ะถ้าเขาเอาไปเข้าไว้ในหินมันถูกระเบิดมันต้องระเบิดก่อนนะจึงเข้าไปได้นะ แล้วถ้าอยู่ในโบกี้รถไฟต้องมีสร้างรางรถไฟนำก็ไปได้ใครจะไปเข็นรถไฟก็ไปล่ะไม่มีปัญหายังต้องต้องคิดเดยอะนะต้องคิดเดยอะแต่ว่าเราก็ไม่พยายามที่จะให้เหตุผลให้สติปัญญาแก่คนพอการเป็นกระแสก็ไหลไปตามกระแสความโลภเนี่ยเป็นอันตราย นั้นพราไงเพราะว่าใจเนี่ยมันเกิดความโลภที่มันมีโมหะปินปังอยู่อย่างที่บอกไว้เรื่องปลาหุบเหยื่อใน่มันก่อนเพราะตรงเนี้ยมันทาตชีต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสแม้จะมีตัณหาเนี่ยตัณหามันเป็นกระแสมันไหลก็ตํานองคล้ายๆกับเราภายเรือเราจําเป็นที่จะต้องคุมทิศทางของเรือเนี่ยอย่าไม่ถูกกระแสมันพัด พอจนเรือหมุนเรือสูญเสียการทรงตัวแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากกระแสสรงนั้นเนี่ยเพราะถ้าเราภายเรือแล้วตามกระแสเราคุมไม่ดีเนี่ยฮะที่จริงเราก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แล้วก็เรือมันก็ไปได้เร็วด้วยลักษณะของตันหาเป็นดันมากที่ทรงแสดงไว้ในเรสุมุทายวานนะแสดงในสมุทายวานอตนามันเกิดได้ทุกจุด แล้วเกิดจุดเดียวก็ที่ดับหมายความมาตหาเกิดขึ้นในจุดใดนี้โรดมันเกิดขึ้นในจุดนั้นแล้วฟังเราสังเกตนะฮะสมุทัยเป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์นีโรดเป็นความดับแห่งความทุกข์เพราะมันก็แสดงว่าทุกมันเกิดขึ้นที่ใดมันก็ดับที่นั้นดับที่ใดละ่ะก็เกิดที่นั้นเนี่ยฮะเกิดที่นั้นจะไปดับอีกแข่งหนึ่งไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นที่จิตถ้ดับก็ดับที่จิต แต่จิตมันเป็นอยู่ที่ท่าทีต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสประการําคัญว่าเรามีปัญญากํากับหรือเปล่าที่สัมผัสอารมณ์เหล่านั้นถ้าพลังปัญญาเข้าไปกํากับอารมณ์ไม่มากพอใจมันก็สายใจมันก็สายไปตามแรงกระตุ้นของอารมณ์เราเน้นแล้วมันก็เกิดตารนาได้ทุกจุดของอารมณ์ แล้ปกติเราไม่เคยพูดกันเน่นะครเพราะว่ามันเป็นธรรมะระดับก็เรียกระดับกรรมฐานที่ต้องพูดในห้องกรรมฐานกันแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้เป็นใต้งรงมอภิญาดังนัวั น, ว, นวันต่อไปเนี่ยจะจะนําข้อความที่ทรงแสดงไว้ในมาสติปัฏฐานในสูตรในส่วนที่เรียกสมุทัยาวานคือขยายจากธรรมจกักรออกไปขยายให้รายละเอียดจากธรรมจกักออกไป เพื่อมาเสนอแดะท่านผู้ฟังให้ดูว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามีสติเข้ากำกับอารมณ์ที่เรากระทบในแต่ละขณะเนี่ยมันก็ลดกระแสของตาหาลงไปได้ส่วนจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องฟังเท่าไหร่แต่ลวงประพุทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงมตตงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี